วัน <c oughs> นี้เป็นวันที่หกมกราคมสองห้าห้าหนึ่งแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่เราได้ฝึกฝนอบรมในช่วงปีใหม่แล้วก็ผู้ที่เก็บอารมณ์ก็ได้ให้ ชีวิตของตัวเองได้พักเฝ้าดูตัวเองคงได้อารมณ์บางสมควรและผู้ที่ยังไม่มีโอกาสได้เฝ้าดูตัวเองนานๆก็ต้องคอยประคับประคองชีวิตประจำวันไปด้วยสติสมาธิที่นี่การปฏิบัติ ในการสั่งสมตัวสัมมาสติสัมมาสมาธิไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราได้สมมาปัญญาหรือสมายานสัมมาสติก็คือมาถึงความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันล้ลวนๆที่ไม่ต้องไปนึกคิดปรุงแต่งเอาแต่เป็นการรู้สึกในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่า การเวทนาจิตหรืออารมณ์ก็ตามคือเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆที่มันตามที่มันเกิดมันเป็นในสม า, สมาธิเอื้อมือว่ามีการประคับประคองในความรู้สึกอันนี้ให้ยาวขึ้นให้นานขึ้นในการประคับประคองในการรู้สึกการเฝ้าดูเนี่ยให้ยาวขึ้นเรียกว่าสมาสมาธิ แต่าหากว่าเราบังคับบังคับรองไดยาวได้นานจนกระทั่งว่าการปรุงแต่งทางจิตมันมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งไม่มีเจนกระทั่งมันติดต่อกันไม่มีการปูงแต่งติดต่อกันนานเข้านานเข้ า, น า, นขามันก็จะเป็นสมาสมาธิขั้นละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเรียก ว, ว่าฌานก็ได้ คำว่าฌานนี่ไม่จําเป็นจะต้อไปนั่งหลับตาตัวนิ่งแข็งไม่ใช่เงี้นฌานนี่หมายถึงว่าจิตของเราที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีจิตเบาสบายมีความสงบมีความสุขในการกระทำในการทํางานทีนี้ถ้าจิตของเราได้อยู่กับปัจจุบันได้ละเอียดขึ้นประณีตขึ้นฌานระดับนั้นก็สูงขึ้นสูงขึ้น เรฉะนั้นฌานในพุทธนั่นหมายความว่าเข้าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ฌานแบบพราหมนี่นอาจจะมีรูปแบบจํากัดทีต้องนั่งนิ่งหลับตากําหนดลมหายใจไม่ติงไหวเป็นเวลานา น, านๆเลยวันฌานแบบพราหมณ์ซึ่งไม่ใช่สม า, สมาธิแต่มันอาจจะเป็นสม า, สมาธิก็ได้ถ้ามีสติมันถูกแต่แน่ๆก็คือฌานแบบพุทธเนี่ยฌานแบบวิปัสสนานั้นเข้าได้ ทุกเมื่อเมื่อจิตของเราไม่ปรุงแต่งทําไมปรุงแต่งมากขึ้นนานขึ้นละเอียดขึ้นประนีตขึ้นก็เข้าสู่ชาน้นชั้นลึกขึ้นเรื่อยๆอาจจะทํางานอยู่ก็ได้อาจจะพูดอยู่ก็ได้เข้าชานได้เพราะนั้นเองเราต้องเข้าใจหลักเบื้องต้นนี้ก่อนว่าช่วงที่สมาสติ สมาสมาธิเรายังไม่เต็มรอบปัญญาก็ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็มีที่พึ่งระดับหนึ่งคือมีสมาธิเป็นที่พึ่งความสงบจิตเป็นที่พึ่งได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังเมื่อมีอารมณ์การปรุงแต่งเข้ามาตัวที่พึ่งที่ละเอียดที่ประณีตก็หายไปตัวอารมณ์ก็เกิดขึ้นมาแทน ตรงนี้ถ้าเรามีปัญญาแบบสังขารปัญญาแบบโลกิยะปัญญาก็แก้ไขกันไปแต่ถ้ามีตัวสัมมาปัญญาคือโลกุตรปัญญาเข้ามาบ้างเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่สมบูรณ์ก็แก้ไขอารมณ์และการปรุงแต่งได้มากขึ้น ไอ้ตัวสมาปัญญานี่หมายลกุุระปัญญานี่อันปัญญาอันเกิดจากตัวสมาธิหรือจิตที่มันไม่มีการปรุงแต่งนานๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวสมาปัญญาสามารถแก้ไขเรื่องอารมณ์การปรุงแต่งได้เรื่อยๆด <c oughs> <c oughs> ังนั้นเองในตัวเนี้ยเราต้องลำดับให้ดีไอ้ตัวสมาสติลำดับมันก็คือจะต้องให้รู้จัก รูปจากนามตามความเป็นจริงรูจร้จักนูกจากนามตามความเป็นจริงหมายความว่ารู้รูปนามนี้เป็นเพียงความรู้สึกที่เราสัมผัสได้ขณะหนึ่ ง, งแต่เมื่อใดเราเผลอไปคิดว่าความรู้สึกนี้เป็นเราขึ้นมาก็ไม่ใช่สมาสติแล้วก็เป็นมิจฉาสติไปเมื่อใดกลับมาหาความรู้สึกล้วนๆที่มันไม่มีอัตา ต, ตัวตนอยู่ในนั้นมีแต่ความรู้สึก ก็เป็นสมาสติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อใดหลงว่าฉันเป็นฉันเป็นเราเป็นกูเป็นมึงโดยเฉพาะเวลาเราไปติดต่อสัมพันธ์ที่ต้องใช้สมมุติแต่คนที่ไม่มีสมาสติเข้มแข็งจริงๆก็จะประคองยากมันก็จะหลงไปอยู่ในสมมติว่าฉันว่าเราว่ากูว่ามึงสมาสติก็หายไปอีก มีชาิสติก็เข้ามาปฏิบัติการใหม่อยู่อย่างนี้เรื่อยไปน ะ, นะเพราะฉะนั้นเมื่อสมาสติสมาสมาธิมันมันมีเป็นส่วนใหญ่มันถึงจะเต็มรอบถ้าหากว่ามันถูกสลับใช้กันไปเรื่อยบางครั้งก็เป็นสมาสติบางครั้งก็เป็น มิจฉาสติบางครั้งก็เป็นสมาสมาธิบางครั้งก็เป็นมิจฉาสมาธิสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเนะี่ยปัญญามันก็เต็มช้าเมื่อปัญญามันเต็มช้าการที่จะมาเห็นกายเห็นใจตนเองอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็ต้องยืดเวลาออกไปเรื่อยๆเพราะมันมีความสําคัญมันหมายในรูปในนามอยู่ก็ต้องก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้แหล ะ, ะจะใช้เวลา น, านานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า เรามีศรัทธามีความตั้งใจมากแค่ไหนจนกว่าปัญญาสมบูรณ์รอบเต็มขั้นที่หนึ่งมันก็จะทำให้เราละอัตตาตัวตนละความสำคัญผิดได้ละความสำคัญมันหมายในตัวตนได้อันนี้ก็ปัญญามันจะต้องสมบูรณ์ถึงสี่ครั้ง ครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจะละความสำคัญมั่นหมายในอัตตาตัวตนก็ดูไม่ถือเขาไม่ถือเราเมื่อก่อนใครมาดา่ดามาว่ามานินทาเราก็รู้สึกโกรธไม่พอใจแต่ปัญญาขั้นที่หนึ่งถ้ามันสมบูรณ์รอบแล้วมันก็วางเฉยได้ใครจะมาด่ามาว่ามานินทามาแค่ไขเสียใจอะไรมันก็เฉยได้นี่หมายความว่าตัวปัญญาขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะมาแก้ไขปัญหาเร่งสาคัญตนผิด เอะใครจะวิภาวิจารณกระทบกระแทกก็ก็ทำใจได้มีปัญญามันจะมาแก้ไขตัวนั้นแต่ถ้าหากว่ากระทบกระแทกหรือวิภาวิจารณ์อะไรที่มันไม่รุนแรงก็พอทําใจได้แต่ถ้ามันรุนแรงมันห น, นักอันนี้ทนไม่ได้อันนี้ปัญญาตัวนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นก็มีระดับขั้นของสาคัญตนผิดเนี่ยมันก็มีหลายระดับเหมือนกันระดับต้นระดับกลางระดับสูงเราถอนอาาัตตาทิฏฐิออกได้ระดับไหนเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายแต่เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาสามตัวนีนให้สมบูรณ์ด้วยเรื่อยสมาสติสมาสมาธิและสมาปัญญา แต่ในองค์มรรคเราจะใช้คาว่าสมายานเราไม่ใช้คาว่าสมาปัญญาถ้าสามตัวเนี่ยสมบูรณ์พร้อมเมื่อไรมันถึงจะเป็นสมาวิมุตติอันนี้ก็เป็นศัพท์ทางบาลีแต่ในส่วนการปฏิบัติก็คือการที่เราจะต้องสร้างเหตุคือสมาสติสมาสมาธิไว้เรื่อยๆนะ สมาสติสมาสมาธิอดังได้กล่าวแล้วก็คือพยายามให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอย่าได้เห็นเป็นตัวตนแต่ในเมื่อเราปัญญายังไม่เต็มรอบมันก็ยังเห็นเป็นตัวตนก็ต้องพยายามฝึกฝนสติไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดตัวสมาสติสมาสมาธิตั้งสัมพันธ์กันคือหมายความว่าเมื่อสมาสมาธิตัวนั้นเราจะใช้ร่วมกับ สมาอ่าทมกับสัมปชัญญะอีกคำหนึ่งนะบางครั้งเราก็ใช้คําว่าสติสัมปชัญญะบางครั้งเราก็ใช้คําว่าสมาสมาธมิเพราะฉะนั้นตัวสัมปชัญญะหรืตัวสมาธิคือตัวประคองความรู้สึกตัวนี้ให้ต่อเนื่องได้เหมือนกับเราขีดจุดไม่ขีดขึ้นในจุดไฟแช่ขึ้นแช่ในการที่จะประคอง แสงไฟที่เกิดจากการไม่ขีดให้ต่อนื่องไปได้เนี่ยมันจะต้องจุดใส่เทียนหรือชุดใส่ตะเกียงไอ้ตัวเทียนหรือตะเกียงที่รับแสงจากไม่ขีดเขาเรียกว่าสมาสติหรอสมาสม า, สมาธิหรือสมาเชีญนะก็ได้ไอ้ตัวที่ขีดไม่ขีดขึ้นแสงปรากฏไฟปรากฏนันเขาเรียกว่าสมาสติทําลายความมืดได้ระดับหนึ่งนั่นคือองค์ปฏิบัติ เป็นหลักแต่ว่าจะต้องมีรูปนามก็อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นหลักเอาไว้รูปก็เหมือนตะเกียงนาําก็คงจะเหมือนใส่้ตะเกียงอย่างนี้นแหละหรือน้ํามันถ้ามีแต่ตะเกียงไม่มีน้ำมันไม่มีไส้ก็เหมือนกับว่ามีอย่างมีการรลลึกรู้แต่ว่ามันไม่ใช่เลื่อลึกรู้ในรูปนามแล้วรู้ในเรื่องเป็นสัญญาไปอันนี้ก็จะมีข้อ ปลียย่อยลงไปตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ต้องไปคิดนึกเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าความรู้สึกตัวที่เราสัมผัสได้เย็นดอนอ่อนแข็งเค็งตึงเนี่ยมันเป็นที่เป็นสนามทํางานของคำสัมมาสติคอยระลึกเอาไว้ในฐานะเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นสุขบ้างทุกบ้างสบายไม่สบายก็เป็นเพียงความรู้สึกให้รู้ว่าเป็นความรู้ควรความรู้สึก ถ้าหากเรู้สึกว่ามันไม่สบายก็แก้ไขเอาถ้ารู้สึกว่าสบายแล้วก็ไม่แช่ไม่หลงไม่ติดไม่ยึดเนี่ยในตัวสมาสติเองมันก็ต้องมีข้อแม้ตรงนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นมันถึ ง, ถงว่ายากหรือง่ายก็ไม่ใช่มันจะต้องแยบคายพอสมควรนะเมื่อนันองค์ของสมาปัญญาหรือสมาญาณนนะมันไม่มันไม่สมบูรณ์ เมื่อตัวปัญญาหรือตัวญาณปัญญายังไม่สมบูรณ์มันก็ยังไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกรรมตามความเป็นจริงเมื่อยังไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นกรรมตามความเป็นจริงมันก็ยังแก้ไขตัวเองไม่ค่อยได้เคยนิสัยอย่างไรเคยพูดยังไงเคยคิดยังไงเคยทํำยังไงเคยชอบยังไงมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวญาณปัญญาหรือสมาปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะจิตเปลี่ยน เคยเป็นคนพูดมากอะพูดน้อยลงเคยเป็นคนขี้เกียจจะขยันขึ้นเคยเป็นคนไม่เรียบร้อยก็เรียบร้อยขึ้นเคยเป็นคนคิดปรุงแต่งจุกจิกชู้ชีมันก็สมบได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยมันมันมาแก้ไขพฤติกรรมมาแก้ไขกรรมตรงนั้นได้ถ้าปัญญามันเต็มรอบขั้นที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็มันจะไม่ สงสัยความรู้สึกตัวนี้มันไม่สงสัยว่าความรู้สึกตัวนี้ก็คือตัวพุทธตัวแท้นั่นเองพุทธในน้อยเริ่มเกิดนั่นเองแล้วก็จะมาคอยอบรมสั่งสอนเราเพรฉะนั้นพุทธตัวนี้มันไม่ได้เกิดจากว่าครูบาอาจารย์มาสั่งสอนเราแต่เป็นตัวเราสั่งสอนเราเนีแต่เราเรียกว่าตัวปัญญาก็ได้เดี๋ยวพุทธก็ได้ที่เกิดขึ้นคอยบอกคอยเตือนตัวเองคอยสอนตัวเองคอยอบรมตัวเองเรื่อยๆ แต่ปัญญาตรงนั้นมันถึงจะทำหน้าที่แต่ปัญญาที่วราเป็นสมาปัญญายัางไม่เกิดไอการอบรมรักเตือนสั่งสอนตัวเองเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเกิดหรือเกิดแต่ว่ามัน ห, ห่างๆมันไม่เกิดบ่อยไม่ไดเกิดทีแต่ถ้าปัญญาตรงนั้นมันเกิดแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะอบรมสั่งสอนตัวเองด่าตัวเองติตัวเองเตือนตัวเองได้ตลอดเวลาตัวนั้นแหละพฤติกรรมเราถึงจะเปลี่ยนได้จิตเราถึงจะเปลี่ยนได้ เพราะฉะนั้นก า, การเจริญสติแบบแบบพุทียเนี่ยดูดูง่ายดูง่ายแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะมันใช่จะกายจะว่ายากก็ไม่ใช่แต่ต้องเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆเหมือนกันเถิดใจที่จะศึกษาเรื่องนี้จริงๆใช้เวลาก็ยอย่าไปกําหนดว่ากี่ปีกี่เดือนนะเอาแต่ว่ามันทําไปเรื่อยๆมันอาจจะไวจะช้า เนี่ขึ้นอยู่กับความเต็มมอนก็เราจะหุงข้าวถ้าน้ำมันไม่เดือดเนี่ยมันก็ ม, มีมีความพลังความร้อนหรือมีพลังความร้อนแล้วมันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เนี่ยข้าวมันก็ยังไม่สุกน้ําก็เดือดเหมือนกันข้าวยังไม่สุกนะอาศัยองค์ประกอบอย่างนั้นทีนี้อาการกําหนดรู้ต่อเนึ่งของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันยาวนานแค่ไหน คอยที่จะเป็นองค์ของสม า, สมาธิได้ไหมไปดูตรงนั้นด้วยแล้วองค์ของสม า, สมาธิเนี่ยมันต่อเ น, นื่องยาวนานแค่ไหนเหมือนก็เราติดไฟขึ้นแล้วเปลวไฟมันตั้งนานแค่ไหนที่จะทำให้น้ำเดือดและน้ำเดือดนานแค่ไหนที่จะทำให้ข้าวสุกเนี่ยเราเราก็ต้องดูธรรมชาติตรงนั้นด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะในวิธีการของวัฒเทีย น, นเห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่ามันเป็นนามธรรมแหละแต่ว่าขบวนการมันเหมือนรูปธรรมไม่มีผิดเลยนะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่รู้จักรูปจากนามชัดเจนเนี่ยมันนึกภาพอย่างนั้นไม่ออกมันนึกถึงขบวนนึกถึงความเติบโตของจิตที่เป็นขบวนการ เป็นขั้นตอนเนึ่ยไม่ออกถ้ารูปนามของเราไม่ชัดเจนดังนั้นรูปนามต้องชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่อยมันถึงจะไปเห็นความเป็นไปของนมามธรรมชัดเจนถ้ารูปนามไม่ชัดเจนดับดั บ, ดบหายหายลืมลืมลงหลงเนี่ยโอ้ใช้เวลานานเพราะใ น, นการกําหนดความรู้สึกตัวต่อเนื่องต้องทําให้ถูกด้วยนะถ้าทําให้ถูกมันจะเครียดมันจะมึนมันจะเวียนหัวมันจะ ง่วงมันจะอะไรต่างๆเป็นไปสลัพัดนะนั่นหมายความว่าในการแก้ไขในการปรับอินทรีย์ของเราเนี่ยยังไม่เท่าทันนะตัวสติสมาธิมันก็เลยทำงานไม่เต็มที่เนี่ยเหมือนกับรถวิ่งตามถนนถ้าถนนนั้นยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยรถก็วิ่งไม่ได้เต็มที่ มันก็หยุดหยุดจอดจอดเดี๋ยวติดหลุมเดี๋ยวติดร่องเดี๋ยวสุดเดี๋ยวติดขี้ตุ่มเนี่ยถนนมันไม่ดีฉันหมายถึงว่าอินรีย์ของเรายังไม่เข้มแข็งอการที่จะกําหนดต่อเนื่องยาวนานหนี่ยมันก็เกิดอาการเครียดการตึงการมึนการไม่สบายขึ้นมาเนี่ยคล้ายว่ารถมันวิ่งตามถนนแล้วมันวิ่งไม่ได้ถนัดเพราะถนนมันอ่อนมันนุ่มมันเละ <c oughs> เป็นหลุมเป็นร่องแต่ถนนมันแข็ง มันเทคอนกีดมันไลอยางวิ่งใจชิวเลยนั่นหมความวาอินทรีย์ของเราความเข้มแข็งการสังเกตทางลูกทางน้ำของเราไม่หลงลืมมันก็จิตของเราจะพิจารณาอารมณ์กำหนดรู้ต่อเนื่องเท่าไรก็ไปได้ไวไปได้นั่นไม่มีอุปสรรคอะไรเพราะนั้นเองการเจริญสติจึงไม่ใช่เป็นการลองการเล่นหรือทำทำเล่นๆดูไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องเป็นการศึกษา ต้องการศึกษาต้องการเ ร, รียนรู้ต้องการรู้จักจริงๆด้วยจริงใจนะี่ยไม่ใช่มีทุกมีปัญหาทีก็เข้าวัดมาจเจริญสติทีพอจเจริญสติพอสบายก็ออกไปสู้ปัญหาใหม่พอมีปัญหาก็กลับเข้ามาทีแต่อย่างเงี้ยใช้เวลานานเพราะความเต็มรอบของเหมือนกับเราติดไฟหุงข้าวเนะี่ยพอติดไฟพอติดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเอากลับมาไฟดับอีกแล้ว ไม่ดับก็อ่อนไปเอาจะแต่งไฟฟื้นให้มันลุกขึ้นมาใหม่เราแทนที่เราจะนั่งเฝ้าดูตรงนั้นไฟนให้เปลวมันตั้งแต่ละเวลาเนี่ยสักพักหม้อขามก็เดือดแต่อันนี้เราตั้งไฟเสร็จแล้วเราก็ไปทําอื่นเล่นอื่นๆ อ, นอกลับมาไฟดับอีกแล้วเทียวไล่เทียวคื่ออย่างนี้ยน้ําก็ไม่เดือดสักทีแล้วนั้นเองทาง โยมเลือหัดเล่าพระหรือโยมอยู่วัดนี่ก็จะมีผลต่างกันคนอยู่วัดนี่อาศัยเพื่อจะได้ศึกษาต่อเนื่องเฝ้าดูกองไฟให้มันต่อเนื่องความหมายแต่โยมอยู่บ้านนี่ก็คือติดไฟแล้วก็ต้องไปทําพาระอย่างอื่น ง, งานมันเยอ ะ, อะไปเพลินงานอื่นกลับมาแล้วต้องมาจัดการไฟมันก็เลยช้าไง แต่คนอยู่วัดนมันไวก็ตรงที่ว่าตั้งอดูแลเอาใจใส่เร็วไฟมันตั้งสักพักหนึ่งแต่ถ้าคนอยู่วัดไม่ได้เข้าใจความหมายนี้ก็เพลินเหมือนกันไฟดับเอาง่ายๆนะเพลินกินเพลินอยู่เพลินซื้เพลินนานเพลินสบายก็ไฟดับเอาง่ายๆ ก, ก็อาจจะแย่กว่าคนอยู่บ้านอีกยังใ น, นความไม่เปรียบเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่าเข้าใจไหมในขบวนการ ศึกษาจิตของตัวเองในขบวนการศึกษาการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยเข้าใจถูกต้องไหมถ้าเข้าใจถูกต้องไม่ว่าอยู่บ้านอยู่วัดได้ผลพอๆกันเพราะนั้นตัวสมาธิิคือความเข้าใจถูกต้องความเห็นถูกต้องจึงเป็นบทบริบทอันแรกของมรรคมีองค์แปดเนีเพราะนั้นต้องสำรวจตรวจสอบตรงนั้นให้ชัดทีเดียว ว่าสมาธิิของเราเนี่ยมันมันชัดเจนเลยยังสมาธิิของเราเนี่ยแน่นอนเลยยังคือเรื่องเข้าใจอะเข้าใจในกระบวนการของจิตเข้าใจในกระบวนการของรูปของนามเข้าใจในกระบวนการของใจรักเนี่ยเราเข้าใจหรือยังต้องทําความเข้าใจตรงนั้นบ่อยๆถ้าเข้าใจแล้วก็ลองๆ อ, องทำดูถ้าทําดูไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรนั้นหม่ยความว่าเราเข้าใจถูกต้อง พอไปลองทำํำไอเราว่าเข้าใจถูกแล้วนะเวลาไปลองทํามันมีอุปสรรคปัญหาที่แก้ยากๆก็แสดงว่าสมาธิที่ของเรามันยังไม่ถูกต้องกต้องปรับแก้ไปเรื่อยๆปรับแก้ก็อาศัยการฟังบ้างสนทนา ร, รมแลกเปลี่ยนกายานิมิตรบ้างอาศัยการเก็บอารมณ์ตรวจสอบไปบ้างอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปจนกระทั่งมันมันเริ่มดีขึ้น เรื่องปฏิบัติไม่ค่อยมีอุปสรรคทาได้นานขึ้นเก็บอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอ่าดังนั้นเรื่องการปฏิบัตินี่มันมีผลถ้าทําถูกมันมีผลดีมากนะสามารถชําระบาปชําระกรรมได้ามาไม่ไม่สงสัยเลยว่าคนเคยฆ่าคนมาอย่างองคุลีมานจะบรรลุธรรมได้ง่ายๆเพราะว่าการปรับพฤติกรรมของจิตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราพลิกจิตได้ มันก็สามารถพลิกชีวิตทั้งชีวิตได้เพราะชีวิตนี้คือจิตจิตนี้คือชีวิตนะถ้าพลิกจิตยังไม่ได้มันก็เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่อยู่ดีเพราะฉะนั้นการเส็จ ก, การที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาที่คอยสํารวจคอยสังเกตเป็นเรื่องที่สําคัญนะเราการ ศึกษาติดตามกับคำพูดของครูบาอาจารย์บางคำเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันไม่ใช่ฟังแล้วฟังเลยเหมือนกันอาจจะจำเอาสักคำหนึ่งที่มันรู้สึกเข้าใจได้เนี่ยเอาไปทำดูดัง น, น, นั้นความเชื่อฟังความตั้งใจความศรัทธา น, นี่ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนกัน ที่จะทําให้เราบางคนเหมือนมีศรัทธาแต่ไม่ศรัทธาเหมือนเชื่อฟังแต่ไม่เชื่อฟังเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเนี่ยยากมากอืเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ตรงนั้นดังนั้นเองเราก็พูดถึงเรื่องนี้ดูว่ามันมีเงื่อนไขยเยอะแต่ว่าไม่ต้องไปวิตกหรอกเพียงแต่ว่าเราจะความรู้สึกเป็น และองค์ประกอบภายนอกก็รู้จักเขารบเชื่อฟังอนน้อมทําตนด้วยจริงใจยอมตนเปิดเผยตนเองตามความเป็นจริงบ่อยๆถูกก็รับว่าถูกผิดก็รับว่าผิดโง่ก็รับว่าโง่รู้ก็รับว่ารู้ไม่รู้ก็รับว่าไม่รู้ถ้าเปิดเผยตามความเป็นจริงเนี้ยมันจะง่ายปฏิบัติทำไนะแต่ถ้ายังปกปิดหรือยังอ บังตัวเองอยู่ซ่อนตัวเองอยู่าก็ยากใช้เวลาอีกนาน ừ, การปกปิดบังตัวเองนี่แหละมันเป็นอุปสรรคแต่การเปิดเผยตัวเองตามความเป็นจริงนีเน่เป็นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้การปฏิบัติธรรมเร็วแลวง่ายขึ้นเพราะนั้นเองการปฏิบัติธรรมก็ส่วนหนึ่งที่เราได้มีเพื่อนกระเด็นมิตเพื่อจะได้เปิดเผยตัวเองทางพระเราเรียกว่ารปรุงอรับ ทางโยมก็คือการที่เราเปิดเผยตัวเองตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าหาผู้ยังไม่ปฏิบัติยังไม่เข้าใจก็ทําไม่ได้เพราะว่าโลกทั้งโลกนี่มันเป็นเรื่องของอัตตาแล้วก็กำก็เรียกว่ามันบดบังเรามาตลอดแหละแต่ที่เรามาปฏิบัติทำเพื่อที่เราจะมาเปิดเผยมันออกเท่านั้นเองเปิดของที่ปิดเพราะเราปิดตัวเองมาบดบังตัวเองมาข่มหน้าตัวเองมานาน ที่เรียมาเข้าใจสัจธรรมแล้วเนี่ยมันมันก็อยากจะปรุงอบัตตัวเองเหมือนกั น, นนะเมื่อใดเราปรเปิดเผยตัวเองปรุงอบัตตัวเองหรือไม่บุดบังตัวเองตรงนั้นเราก็มีโอกาสได้เห็นตัวเองชัดเราถึงจะชำระกรรมเก่าเกิดจา่อุปทานได้เรื่อยๆนะ เพราะนั้นวิบากกรรมต่างๆมันมาจากอัตตาทั้งนั้น่ะถ้าหากว่าเราเข้าใจอัตตาได้เรื่องการจัดการเรื่องวิบากกรรมก็ง่ายไม่ยาก<ม>แล้วเราก็จะทำให้การปฏิบัติเนี่ยสนุกสนานนะเห็นการปฏิบัติคือชีวิตนะแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นขนาดานั้นการปฏิบัติก็ยังเป็นเครื่องต่อรองอยู่ยังเป็นเครื่องต่อรองว่าจะทำ หรือไม่ทำจะทำมากหรือจะทำน้อยจะทำเมื่อไหร่อะไรเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขต่อรองกับตัวเองไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเห็นตรงนี้ชัดเจนแล้วมันไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อต่อรองว่ามันคือชีวิตไม่มีเงื่อนไขใดๆนะการศึกษาการเฝ้าดูการกาหนดรู้ตัวเองเนคือชีวิต <c oughs> ถ้าอย่างนี้แล้วนี่มันจะง่ายขึ้น แล้วก็ไม่ต้องมีการเวลาด้วยโดยเฉพาะคนหนุ่มผู้สาวที่ยังอายุน้อยอยู่นี่นะจะเข้าใจได้ไวเพราะอะไรมนันทิฐิมันยังไม่แข็งมันยังไม่ลึกถอนง่ายอยู่แต่ว่าคนหนุ่มผู้สาวก็มีอุปรสรรคง่ายแบบหนึง่งก็อีกยากอีกแบบหนึง่งยากก็ตองเที่ยวห่วงอนาคตยังหมกมุ่นอยู่ในความสุขมันเกิดจากกามทั้งหลาย การทางตากามทางหูกามทางจมูกกามทางลิดกาการทางกายกามทางใจการทางรูปการทางเสียงการทางกลิ่นการทางรสการทางสัมผัสการทางอารมณ์มันก็ยังเข้าไปห่วงหาอะไรกับการเหล่านี้อยู่อันนี้ก็คือปัญหาของคนหนุ่มสาวปัญหาของผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเยื่อใหยในกามเหล่านี้เท่าไหร่แต่ก็จะมีปัญหาทางด้านทิฏฐิมานะอัตตาจัดขึ้นจัดจ้านขึ้นกว่าเดิม ก็มีประสบการณ์มีความรู้มีความชำนิชำนาญอะไรตัวนั้นก็กลายมาเป็นอัตราที่เป็นทิฐิที่บดบังเรานั้นได้เปรียบเสียเปรียบคนละชั้นคนหนุ่มคนสาวก็ได้เสียเปรียบตรงที่ว่าจะต้องฝักไฟในเรื่องของโลภเวิสัยสูงอยู่แต่คนผู้สูงอายุก็ยังต้องมาติดในเรื่องของอัตราตัวตนที่สั่งสมมานานซึ่งดูมันก็ยากหัวคอกันนั่นแหละ ในการที่จะสลัดปล่อยวางแต่ถ้าหากสำหรับผู้ที่ตั้งใจนะทั้งสองอย่างไม่เป็นอุปสรรคแ้่เรื่องกามก็ดีเรื่องอาาัตตก็ดีไม่เป็นอุปสรรคถ้าตั้งใจแต่ว่าตรงที่ว่าความเข้าใจนะให้ถูกต้องความเข้าใจนี้ก็จะได้สามระดับหนึ่งการฟังสองการหมัน่นพิจิพิจารณาไข้โครตีตองทีทุน ในเรื่องราวต่างๆสมก็คือการปาราลบความเพียรอยู่เรื่อยๆให้ปัญญาที่เกิดจากสามเรื่องนี้มันก็จะเกิดความเข้าใจได้ได้ง่ายขึ้นปัญญาเกิดจากการฟังให้เข้าใจปัญญาเกิดจากการคิดให้ถีทวนให้พิจารณาทีทวนอะไรก็ตามไม่จะการทำอะไรต่างๆถีทวน เรียบเรียงเป็นระเบียบไม่หุนหันพันแล่นไม่ฟุ้งซ่านเกก ะ, กะจับจดมากง่ายตัวเนี้ยไม่มีนะและตรวภาวนาก็คือปารัความเพียรอยู่เสมอไม่ว่าจะในรูปแบบหรือนอกรูปแบบในรูปแบบก็คือมีเวลาเขามานั่งสร้างจากกงังหวะเดินจักรมหรือเก็บอารมณ์บ้างนอกรูปแบบก็คือเวลาไปทําการทํางานก็กําัรู้ต่อเนื่องไป เ ร, เรื่อยๆโดยที่ไม่ทอดทิ้งเหมือนกับเรานั่งเฝ้าเตาไฟไม่ทิ้งปล่อยให้ไฟดับเพราะนั้นเราจะบอกว่าเราเป็นชาวบ้านงานเยอะนะไม่มีเวลามาเก็บอารมณ์การปฏิบัติเลยช้าอันนี้เป็นเพียงข้ออ้างนะแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยสนามปฏิบัติอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอยู่บ้านหรืออยู่วัดแต่ว่าเราจะใส่ใจหรือเปล่าแค่นั้นเอง แต่มันก็มีเงื่อนไขของมันนั่นแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็พยายามไปเรื่อยๆพยายามไปพยายามไปเพราะจิตของเราที่มันสับสนซับซ้อนมันมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลน์อยู่มันก็จะได้รับวิบากในตัวของมันเองเมื่อมันได้รับวิบากมันก็เกิดความทุกข์ความคิดอารมณ์ เกิดความทุกตัวนั้นถ้าเราบางพอเราก็จะเกิดความรู้สึกกลัวในการที่จะเสวยวิบากเหล่านั้นไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยซื่อกับตัวเองในทางที่ตรงมากขึ้นไม่ค่อยปิดบังซ่อนเร้นตัวเองเท่าไหร่กรรมก็เปิดเผยตัวเองเราก็ทำจิตให้ตรงทำอะไรให้ตรงปรับตัวเองให้ตรงให้ซื่อเข้าไวา้วก็จะง่ายขึ้นนะ ก็จะง่ายขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกนะมันเป็นเกมของชีวิตในการปฏิบัติธรรมนะธรรมานี้อาศัยว่าปฏิบัติด้วยทางานด้วยปฏิบัติปฏิบัติด้วยทางานด้วยมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาให้เห็นอันไหนที่ถูกเราทํามากมันก็มีเรื่องถูกมากผิดมากเราก็เห็นความถูกความผิดของตัวเองมากมันก็เรียนรู้แก้ไขไปเรื่อยๆ เมื่อไใดเราทําผิดมากก็ทุกก็แก้ไขไปเมื่อใดเราทําผิดทําถูกมากก็เป็นประโยชน์ก็ใช้มันไปอย่างเงี้ยพราการศึกษาและปฏิบัติธรรมมันมีแต่ได้กับได้ถ้าทําถูกนะแต่ทําทไม่ถูกแล้วก็มีแต่เสียกับเสียเหมือนกันแหละนอกจากตัวเองเป็นทุกข์แล้วคนอื่นก็เดือดร้อนกับเราด้วยมันไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าเราถูกทําได้ถูกแล้วนอกจากเราเป็นสุขแล้วก็แบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนอื่นด้วยเนี่ย ก็มีผลลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเองจึงว่าไอ้ชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของการปฏิบัติมึงถึงจะพออยู่ได้นะแต่ว่าเราก็สงสารคนในโลกที่เขายังไม่สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องน่าสงสารเขาจริงๆเพราะนั่นการเกี่ยวข้องกับคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็ระมัดระวังบ้างคือต้องเห็นใจเขาอ่ะ เขาไม่มีโอกาสเลยในการที่จะมาศึกษาถึงแม้ว่าเขาบอกเขารู้แล้วก็ตามอะแต่เขายังไม่มีโอกาสมาศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังแต่บางคนที่เขามีภูมิปัญญามีภูมิธรรมที่สั่งสมมาก่อนเขาอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆก็ได้ถึงแม้เขาไม่ปฏิบัติอะไรมากมายอย่างเราก็ตามแต่เขาได้ฝึกฝนได้อบรมได้ศึกษามาก่อนอย่างนี้เขาก็มีภูมิธรรมภูมิปัญญาเป็นวิสนาเดิมของเขาอันนี้เราก็ต้องการนโมธนาส่งเสริมให้กําลังใจเขาแรงเปลี่ยนเขา ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาทําอย่างนี้ถึงจะรู้บางคนเขาทามาก่อนเราหลายภพหลายชาติแลายกับหลายกันแล้วก็ได้แต่พอเขามาฝึกฝนมาปฏิบัติอีกนิดหน่อยเท่านั้นเขาก็ไปไกลกว่าเราที่เราบางทีเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในภพอื่นชาติอื่นเนี่ยพมาชาตินี้เราก็ต้องทําอย่างหนักถึงแม้เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรมันก็เป็นการสังสมไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ควเสียดท้อถอยในการปฏิบัติ อพรนั้นเองเราก็เรียกว่าทํามากก็ น, นึงรู้มากรู้ถูกรู้ผิดนะทําไปถ้ามันผิดมันก็ทําให้มีปัญหามีความทุกข์แล้วก็แก้ไขไปทําไปมันถูกแล้วก็สบายปร่งเบาเราก็มีโอกาสจะก้าวหน้าไปเนี่ยถ้าตั้งจิตไว้ถูกนะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วประการสําคัญถ้าตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยมันยาก มันเป็นเรื่องใหญ่เลยและตั้งจิตไว้ผิดสมมติว่าตั้งจิตว่าเราจะต้องเห็นนั้นเราจะต้องเอาอันนี้เราจะต้องแข่งกับ น, นั้นเราจะต้องขันกับคนนี้เนี่ยมันตั้งจิตไว้ผิดอย่างเงี้ยมันยากีจะต้องรู้ดีกว่าคนนั้นให้ได้จะต้องเห็นดีกว่าตรงนี้ให้ได้ตรงนี้ตั้งจิตไว้ผิดทุกอย่างถ้ามองเห็นว่ามันเป็นเพียงรูปเพียงนามมันไม่มีตัวตนในการที่จะไปเอาดีเอาเด่นเอาถูกเอาผิดเอา นั่นขันต่ออะไรก็บใครหรือมุ่งหมายเอาอะไรมันไม่มีมีแต่กําหนดรู้ศึกษาในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเงี้ยมันเป็นถนนของมันไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราทําด้วยอัตราตัวตนแล้วมันก็หนีเรื่องไม่พ้นการที่จะเอาถูกเอาผิดเอาดีเอาชั่วเอาสุขเอาทุกข์อยู่เย่างดีก ม, มีอัตราอยู่แต่อัตราตัวนั้นมันเบาบางลงมันน้อยลงในความฝังความปรารถนาอย่างเงี้ยมันก็ค่อยเบาบางลงตามเกณฑ์ของมัน อือนนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องการที่เรามีเวลาเข้ามาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราจะต้องมีอะไรที่ได้สั่งสมมาดีพอสมควรเราถึงมีโอกาสณวันนี้แล้วนะพอคนอีกหลายหมื่นหลายแสนคนที่ไม่มีโอกาสแบบเรานั่อเองก็ในส่วนของที่พระแสงเทียนเองก็เรียกว่าเป็นสนาม ปฏิบัติอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดวกและปลอดภัยไม่ว่าทางด้านโลกดันธรรมนะสะดวกและปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วก็คนอาศัยสนามนี้ฝึกฝนอย่างรู้คุณค่านะให้ความร่วมมือแล้วก็ใช้ชีวิตแบบแบบไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรร่วมกันนะมันก็สงบได้ตลอด แต่ในมันถ้ามันมีอัตราโดดเตนอยู่เราก็ต้องสู้ต้องศึกษาต้องปฏิบัติไปไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเนี่ยของยากๆไม่ไม่มีอะไรได้มาง่ายต้องอาศัยความขยันมันเพียนความตั้งใจด้านนั้นเองก็ทบทวนนะทบทวนว่าฐานปัจจุบันคืออะไรต้องว่า ต, ตุกตังต้นตรงนี้เสมอและฐานปัจจุบันคือ ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวแบบไหนตัวแบบอัตราตัวตนรู้สึกตัวเฉยเฉยล้วนๆ้วนถ้าเป็นรู้สึกรู้สึกของอัตราตัวตนมันก็จะมีชอบไม่ชอบมีสบายไม่สบายเข้ามาเป็นเราแต่ถ้าเรารู้สึกเฉยเฉยก็รู้เท่าที่มันมีแหละไม่มีเรามีเขาอยู่ในนั้น นิฐานที่สำคัญที่จะต้องทบทวนตรวจสอบอยู่เสมอให้มันถูกต้องถึงแม้เพียงเล็กน้อยกระตามนะแต่มันเป่มนประกายไฟสะเก็ดไฟเล็กๆสามารถที่จะไปต่อใส่ลังเพิงใหญ่ๆให้มันสว่างสวยขึ้นมาทันทีได้เหมือนจุดประกายระเบิดนั่นเองในเรื่องของการ ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนักบวชรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องหัดกระดามก็ถือว่าเป็นสังฆาเป็นสังฆาสูพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาเป็นสังฆาและตัวสังฆานี้ก็จะช่วยกล่อมเราช่วยปรับถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีใครมาปรับ <c oughs> มากล่อมมาเปลามาตกมาแต่งเราได้นี่ แต่ถ้าเราอยู่เป็นสังขารนมาเรามาจากหลายชีวิตหลายอุดมการ์หลายประสบการณ์หลายระดับพอมาอยู่ด้วยกันมันก็จะปรับข้าหากันเนี่ยโดยโดยโอัตโนมัติเขางมั น, นเหมือนการสีข้าวเนี่ยสีข้าวเม็ดเดียวเนี่ยมันมันไม่พอที่จะคัดกัน สีข้าวเยอะๆมันก็ขัดกันไปขัดกันมามันก็เป็นเป็นข้อสารขึ้นมาเพราะนั้นในการอยู่เป็นสังฆะมันมีทั้งขัดเกลารและมีทั้งแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนในสิ่งที่ดีให้แก่กันและขัดเกลาในสิ่งที่ไม่ดีให้แก่กันเพราะนั้นก็เป็นการเป็นธรรมดาในเวลาอยู่ที่เป็นสังฆะมีการกระทบกระแทกมีการตักมีการเตือนมีการบอกมีการว่า มีการอบรมมีการสั่งสอนเป็นการขัดเกลาก็ต้องมีมันไม่มีแต่คบไม่มีสา่งไม่ได้นะมันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้แหละมันถึงจะละเอียดขึ้นมาดังนั้นให้ยินดีในชีวิตในการประพฤติพรหมจรรย์ยินดีในการฝึกตัวเองพอใจในการที่จะฝึกตัวเองแล้วก็ต้องดูตัวเองให้ใหออกว่าเราเป็นคนนิสัยอย่างไร นราเป็นคนมีความเคยชินแบบไหนเนี่ยดูตรงนี้ให้ออกแล้วก็ค่อยดูมันว่าไอตัวที่เรามีเป็นนิสัยเราเนี่ยมันจะแสดงตัวตอนไหนเ <c oughs> ช่นนิสัยคนพูดมากนะเวลาไปพูดเรื่องที่เราชอบแล้วไอตัวนั้นมันก็จะออกมาเยอะเราก็ต้องปฏิบัติเข้าไปตรงนั้น ท, ทันทีเออเราพูดมากกวแล้วนี่อืม นี่อนิสัยของคนเป็นคนงุนหงิดโมโห ง, ง่ายติดอารมณ์ง่ายก็ต้องดูตัวเองออกเวลาเราไปกระทบหรือใครมาพูดด้วยในทางที่เราไม่ชอบเราก็ดูงลงไปตรงนั้นเลยปฏิบัติลงไปตรงนั้นเลยขณะที่มันเกิดการปฏิบัติแก้ไขเนี่ยเราปฏิบัติในขณะที่มันเกิดใช้ปัญญาตรงนั้นแหละในช่วงที่ การกระทบอารมณ์อะไรไม่เกิดทั้งแก้ไขแค่ใช้สติสมาธิก็ดำลงสติสมาธิเป็นวิหารธรรมก็พอแล้วแต่ปัญญาเน้นเอาไ้ใช้ตอนไหนตอนมันมีปัญหาเท่านั้นเหมือนกับมีดเรวรับเอาไว้หนึ่งถ้ามันไม่มีปัญหาที่ต้องใช้มันก็เก็บมีดไวเท่านั้นเองถ้าวันมีปัญหาที่ต้องใช้ต้องตัดต้องบันต้องทอนต้องหัน่นต้องขูด เฉือนนี่ก็ต้องใช้มีดแล้วก็ต้องใช้ใจเราก็เหมือนกันถ้ามันไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบมันก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรนะก็ประคองสติสมาธิปไปเรื่อยๆเท่านั้นเองเตรียมพร้อมแต่ว่าเมืม่อมีมีอารมณ์มีปัญหาเกิดขึ้นปับ๊บก็ใช้ได้ทันทีนะคือ น, นั่นต้องใช้ปัญญาตรงนั้นแต่ถ้าในกรณีที่เกิดปัญหาเกิดอารมณ์เกิดปฏิฆาเกิดหุ่นโมขึ้นมาแล้วมันก็ยังติดค้างอยู่ ตรงนั้นเราไม่ได้ใช้ปัญญาหรือใช้แต่ปัญญามันไม่คมไม่เข้ามันก็ค้างอยู่อย่างนั้นอันนี้คื อ, อาการเข้าไปเล่นศึกษาในการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นชีวิตที่ประเสรศิฐถ้าคนไหนมาศึกษาทำอย่างนี้นะชีวิตมันประเสรศิฐของมันเองเราใช้คําว่าอาริยะประเสรศิฐ คือมันจะห่างไกลจากทุกห่างไกลจากปัญหาไปเรื่อยๆถ้าเราทำอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายังอยู่ใกล้ปัญหาอยู่ใกล้ความทุกข์อยู่มันก็ยังไม่ไปเสื่อมห่างไกลเพราะนั้นตรวจสอบตัวเองว่าเรามีขอ้อปัญหามีข้อบอกพร่องอะไรบ้างต้องรู้ตัวเองให้ออกการเจริญสติที่ถูกต้องดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกแต่ถ้าหากว่าเห็นตรง เองไม่ดูตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นเห็นตัวเองไม่ชัดจัดตัวเองไม่ถูกมันก็ยังไม่เป็นสมาสติไม่เป็นสมาสมาธิไม่เป็นสมาญาณอืมซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาต่อไปทําความเข้าใจต่อไปเพราะว่าเราฝักใฝ่ในชีวิตพรหมจรรย์แล้วนี่ใ น, นก็ต้องดิน้นหล่นต่อสู้ในการศึกษาไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันลงเข้าที่เข้าทางของมัน น้าวันใดวันหนึ่งแล้วก็เราก็สบายแล้วก็ทํางานได้เยอะเลยคนที่ปฏิบัติได้ดีเนี่ยจะทํางานได้มากและผิดชอบได้ดีกว้างไปเรื่อยๆแหละเพราะอะไรมันทํางานได้ทุกรูปแบบถ้าอัตราโตัวตนเราน้อยถ้าเราอัตราตัวตนมันยังเยอะอยู่มันก็กินเนื้อที่ไปที่นั้นก็ลำบากอย่าไปที่นี่ก็ยากไปที่นู่นก็มีเงื่อนไขอีกเอย่อนงี้อัตราตนมันเยอะมันก็ทํางานลําบาก แต่เหมือนน้ำเนี่ยมันจะไหลไปที่ไหนก็ได้มันขัดไม่ติดแต่เหมือนดินมันต้องอยู่กับที่แล้วถ้าดินไหลก็ยุ่งเกิดปัญหาแล้วถ้าน้าไหลไม่มีปัญหาเนีย่ยอตราตัวตัวนเหมือนดินอาตราสลายนึนก็เหมือนน้าเรื่องที่น่าอนุโมทนานะที่มาทำกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องที่ยาก ในช่วงนี้จะมา ก, ก็เรีว่าได้ต้อเดินทางไปทางงานแหงน้สามวันบ้างสี่วันบ้างห้าวันบ้างจะกลับมาอีกทีก็นอนวัที่ยีบสามยีบสี่พรายี่สิบห้านี่ก็งานอีกงานที่บ้านปักปานขอห้าวันเอาไาต้นกุมภาก็าจะช่วยที่นี่อีกภาคหนึ่งแล้วก็ไปอีสานต่อเนะี่ ถามว่ามันเป็นทุกข์ไหมไม่มีนะคือเป็นงานเป็นหน้าทีนะ่เป็นหน้าที่ที่เราทำอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินในหน้าที่การงานการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการทำงานการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเราก็ได้ปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะนั้นหน้าที่นี้ไม่ใช่ว่าจํากัดเฉพาะพระโยมก็ทำได้ แต่ว่าเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะเนี่ยเอาตัวเองให้สบายก่อนเรการที่เราจะไปให้คนอื่นตัวเองเราต้องสบายสบายแล้วก็เราก็มีให้แจกจ่ายไปเมืนช่วงเช้านี้แล้วก็พูดคุยกันคนนี้เพื่อจะได้นําไปศึกษาและปฏิบัติต่อไปเพื่อจะเป็นประโยชน์เป็นอา น, นิสงส์ในการ ฝึกฝนขัดเกลาตัวเองให้หมดจดให้สะอาดให้ปลอดโปร่งลงเบาโดยการทุกคนทุกท่านทืน